เมื่อวันซืนก็ได้ไปร่วมงานเปิดส่วนโมกกรุงเทพอันนี้เป็นชื่อไม่เป็นทางการถ้าชื่อทางการคือหอจดหมายเหตุพุทธธาตอินทปัญโยแต่ว่าเรียกสั้นๆว่าหอส่วนโมกกรุงเทพ สนโมนีพวกเราก็คงทราบดีว่าสร้างขึ้นที่ชัยยาสุราธานีเมื่อเกือบ0ปดิปีที่แล้วอีกสองปีก็ครบ80ดนสะิบ่านอาจาพุทธทาสได้สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสถานที่แห่งการปฏิบัติธรรมแล้วก็มี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 วิธีการที่สอนที่สนโมก น, น, นอกจากนั้นก็มีพวกสุดเรียกว่าสื่อเช่นมหรลสบททางวิญญาณโรงมหรบสบททางวิญญาณทั้งหมดนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ของสนโมกแต่ว่าหัวใจก็คือท่านอาจารย์พุทธทาส ท่านดาวพุทธาสก็มรณภาพไปได้17ปีแล้วแต่ท่านก็บอกว่าพุทธทาสยังอยู่ไปไม่มีตายที่ตายไปหรือพู้ทถูกต้องก็คือที่สลายไปก็คือร่างกายยาวานาคืบกว้างศอกอันนั้นเป็นเป็นแค่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 ในกาศครบร้อยปีหนึ่งศตวรรษแห่งชาตะกายของท่านอาจารย์พุทธทาสก็ <c oughs> เลยมีโครงการสร้างสวนโมกกรุงเทพขึ้น <c oughs> เพื่อให้เป็นสถานที่เผยแพ่ธรรมให้กว้างขวางตรงสวนจตุจกักรสวนรถไฟ <c oughs> ซึ่ง <c oughs> พวกเราคงทราบดีก็เป็นที่ที่คนไปจับจ่าย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 ทุกอย่างนี่แทบจะทุกอย่างเลยเป็นการทำบุญสมัยนี้การทำบุญเนี่ยมันมันหดแคบลงนะหรือพูดง่ายๆคือพื้นที่บุญมันหดแคบลงหดแคบลงจนเหลือจนเหลือเพียงแค่ว่าเวลาไปวัดเนี่ยถึงทำบุญถ้าอยู่บ้านก็ไม่ได้ทำบุญบางทีทาบาปด้ซ้ำนะ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 ปลูกต้นไม้ก็เหมือนกันนะแม้แต่ปลูกต้นไม้ทําสวนที่เมืองเพชรนี่เขามีคาถากรบดินมีบาลีนะพุทธังพลาผลแล้วก็แปลนะพุทธังพลาผลนกเกาะเป็นบุญคนกินเป็นฐานทำมังพลาผลนกเกาะเป็นบุญคนกินเป็นฐานสังขังพลาผลนกเกาะเป็นบุญคนกินเป็นฐานสั้นๆจบละนะอันนี้คือคาถากรบดินเพื่อให้ ต้นไม้เจริญ ง, งอกงามงอกงามเพื่ออะไรไม่ใช่เพื่อประโยชน์งคนปลูกแต่เพื่อให้นกได้มาเกาะให้นกได้มากินให้คนได้มาใช้สอยอันนี้เรียกว่าแม้แต่ปลูกต้นไม้เขาก็ถือว่าเป็นการทำบุญอย่างหนึ่งไม่ใช่ว่าทำบุญนี้ต้องทำกับพระไม่ใช่ว่าทำบุญนี้ต้องมาใส่บาทถวายสังฆทานปลูกต้นไม้ทำนาก็เป็นการทาบุญ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 เอาไปแจกเพื่อนบ้านหน่อยเด็กชายปันี้อยากจะเล่นถูกแม่เรียกเป็นประจำให้เอาของไปให้เพื่อนบ้านก็เลยบอกเบื่อนะแต่ว่านั่นเป็นความเป็นส่วของเด็กๆพอโตขึ้นท่านก็ชื่นชมว่าโยมพ่อยอมแม่เป็นคนที่มีจิตใจใฝ่บุญมากแลวาวก็ทำครัวเ็าไม่ได้คิดถึงตัวเองไม่ได้คิดถึงแค่ลูกเมีย หรือลูกหลานแต่ว่าคิดถึงเพื่อนบ้านเพราะถือว่านี่ก็เป็นบุญอย่างหนึ่งนะเป็นความเป็นเป็นทัศนคติที่มีไปทั่วที่ภาคเหนือก็เหมือนกันนะเจ้าคุณโพธิลังศีท่านบรรณภาพแล้วท่านเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ถ้าเราว่าตอนเด็กๆ เ, เ, เนี่ยที่บ้านเนี่ยทำแค่อาหารอย่างเดียวแต่ทาเยอะๆนะทาแค่อย่างดียแต่ทเยอะ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 อาจารย์คนหนึ่งเขาเล่าตอนเ้าเป็นเด็กๆ เ, เนี่ยแม่เนี่ยค่ำค่ำดึกๆึแล้วก็ยังตําข้าวสมัยก่อนเขาําข้าวด้วยครกกระเดื่องตาข้าวพวกเราเคยเห็นไหมทำไมทันเห็นในชนบทตําข้าวด้วยครกกระเดื่องตำไปทําไมถามแม่ตำไปทําไมก็บอกว่าที่บ้านอาจจะมีคนแปลกหน้ามาถ้าเขามาดึกดืก่นๆก็จะได้มีข้าวให้เขากิน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 นะคิดแต่กำไรหรือถึงแม่ไม่เอาเปลวก็คิดแต่กำไรนะคิดแต่ว่าฉันจะได้เท่าไหรนะ่อันนี้เลยว่าเป็นเพราะว่ความคิดเรื่องวัตถุนิยมเรื่องทุนนิยมเนี่ยมันเดี๋ยวนี้มันแพร่ระบาดไปทั่วพื้นที่บุญก็เลยหายไปหรือว่าค่อยค่อยหดหายไปพืป้นที่บุญหดหายไปจากชีวิตของผู้คนหดหายไปจากสังคมแลนะผู้สมัสมยมายคือมันถูกกระชับพื้นที่ไปแล้ว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 พื้นที่ทุนนี่มันกระจายไปแม้กระทั่งในวัดนะในวัดนี่ก็ถูกพื้นถูกก็กลายเป็นพื้นที่ทุนเป็นละนะเป็นที่ขายวัตถุมงคลเป็นที่เป็นพุทธภาณิษ์บางทีเป็นที่ขายเล่าก็มีนะนี่ทีนี้บางที้แห่งก็จัดงานสารพัดจัดงานตลอดปีเพื่อจะได้เอาเงินมานะวัดจะได้มีเงินเยอะๆนะเรื่องการสงเคราะห์ผู้คนสงเคราะห์คนยากไร้ มันไม่มีแล้วแม้แต่สงเคราะห์ญาติโยมก็ไม่มีแล้วเพราะว่าวัดจเจ้าแต่งเงินเมื่อวานก็มีคนมาร่อยฟังลูกน้องไปบวชนะทำพิธีบวชพออุปชาก็พร้อมนะแต่ยังไม่ทันทาพิธีเลยอุปชาก็ถามซองแล้วเอาซองอไหนซองยังไม่ทันจะบวชเลยนะอุปชาถามซองแล้ว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 ในการทำบุญของชาวพุทธเรานะมันไม่มีตรงไหนแล้วที่ไม่มีเรื่องทุนเข้ามาเกี่ยวข้องแม้แต่ระหว่างพ่อแม่กับลูกนะพ่อแม่ลูกก็ต้องควรจะสัมพันธ์กันด้วยความรักนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราก็ลูกก็อยากได้วัตถุได้เงินจากแม่แม่ก็บางทีก็เรียกร้อง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 นะพื้นที่ดีคือพื้นที่ที่ส่งเสริมให้คนทำดีเช่นโรงเรียนวัดอันนี้ส ม, มุดนะโรงเรียนวัดห้องส ม, มุดพิพิธภัณฑ์สวนสาธรารณะเรียกวพื้นที่ดีมีน้อยแต่พื้นที่เสี่ยงมีเยอะเช่นพับบาร์คาราโอเกอะโรงแรมมั่นรูดอินเทอร์เน็ตคาเฟ่นะพวกนี้จะพื้นที่เสี่ยงเดี๋ยวนี้มีเยอะมากนะเสี่ยงทั้งร่างกายและจิตใจหมายความว่า ออกจากบ้านตอนกลางคืนก็ต้องระวงังเพราะไม่งั้นอาจจะประสบอันตรายถูกปล้นถูกที่ถูกชำเรานะพื้นที่เสี่ยงทางจิตใ จ, จก็หมายว่ามันมีแต่สิ่งที่ทําให้เกิดมดลพิษทางจิตใ จ, จจิตใจเป็นอกุศลเกิดโลคโกรธหลงนะ น, นี่คือสภาพของเมืองไทยที่เราอ้างว่าเป็นเมืองพุทธแต่จริงๆแล้วพื้นที่บุญมันถูกกระชับโหดหายไปเรื่อยๆกลายเป็นพื้นที่ทุนหรือกลายเป็นพื้นที่บาปไปก็เยอะ อันนี้ก็เกเลยมันจำเป็นต้องช่วยกันนะขยายพื้นที่บุญให้กว้างขึ้นแล้ส่วนโมกกรุงเทพนี่ก็เป็นส่วนงการพยายามที่จะขยายพื้นที่บุญให้มันขยายกว้าง <นะ S 2> แต่ท่านั้นไม่พอนะเราก็ต้องช่วยกันชาวพุทธเร า, าต้องช่วยกันทำให้บุญนี่มันมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราจะทำอะไรก็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 นะจริงตรงกันข้ามนะยิ่งแผลยิ่งเพิ่มนะนี่เรียกว่าปฏิทันน้ำใหม่บุญที่เกิดจากการแผ่การแผ่หรืออุทิศส่วนกุศลไปให้ปัตตานุมโมทนามัก็คือความยินดีในความดีที่ผู้อื่นทำนะเช่นนี้คนเขาถวาย สังฆทานเราไม่มีเงินแต่เราอนุโมทนาด้วยได้บุญนะไม่ต้องใช้เงินสัก บ, บาทเลยในสมัยพุทธกาล่มีคนจนนะที่เขาไม่มีเงินนะแต่ว่าเห็นนางวิสาขาทำบุญเขาก็รวมอนุโมทนาด้วยบกว่าได้บุญนะตายแล้วได้ไปสวรรค์ลเลยนะนี่เราปัตาด้โมทนาหมาหรือว่ารวมไปถึงว่าใครทาดีเราก็ชื่นชมไม่อิจฉาเขา ไม่คอมเมนต์เขาว่าเขาอยากเด่นอยากดังเดี๋ยวนี้ใครทำดีก็ไม่กลัวก็กลัวกลัวจะเด่นเพราะว่าทำดีถ้าเด่นแล้วจะเป็นภัยเพราะคนไทยเราไม่มีตรงนี้ก็คือไม่มีปัตตานุโมทนาใหม่เราทำได้นะใครทำดีเราโนโมนนาด้วยใครปฏิบัติธรรมมากกว่าเราใครก็ตื่นเช้ามากกว่าเราไม่ฉานะเราชื่นชมยินดีด้วยใครเขาเดินจงกรม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 พอนั่งพักแล้วเห็นพื้นที่ที่ตัวเองนั่งอยู่รอบๆมันสกรปรกก็ช่วยปัดช่วยกวาดทำความสะอาดพอปัดกวาดเสร็จแล้วก็เลยไปปัดกวาดที่อื่นต่อคนอื่นเห็นว่าที่ตรงนี้สะอาดดีก็เลยมานั่งมาฆ่ามันนกก็ว่าไม่เป็นไรนั้นฉันก็ไปทำที่อื่นต่อทำที่อื่นต่อเสร็จแล้วก็นั่งพักนั่งพักเสร็จแล้วก็ขยะออกไปที่อื่นคนอื่นก็ามานั่งแทนมาามนนกก็ไม่โกรธนะ ขายเขามานั่งที่ตัวเองที่ทำความสะอาดก็ไม่เป็นไรฉันก็ทำไปที่อื่นเรื่อยๆไปตอนหลังก็ได้ความคิดว่าโออมันน่าจะทาต้องหลายอย่างในะในหมู่บ้านเราก็เลยเริ่มทําเลยนะทาความสะอาดในหมู่บ้านนะปัดกวาดไม่ใช่แค่ปัดกวาดอย่างเดียวนะ <c oughs> ทาพัฒนาทางเข้าหมู่บ้านนะสร้างศาลาตรงสี่แยก แล้วก็ขุดบ่อน้ำสร้างสะพานทําคนเดียวนะทาจนดึกกลับบ้านทากลับบ้านคนก็ถามว่าไปไหนมามาครัมโนบอกไปทาบุญไปทาบุญนะไม่ได้ใช้เงินเลยนะใช้แต่แรงตอนหลังก็มีคนมาร่วมเยอะเป็นสิบสามคนสิบสามนักทําบุญก็ทําบุญใหญ่เลยทีนี้นะช่วยกันพัฒนาบูบ้านนะขุดบ่อน้ำสร้างสะพาน สร้างศาลานะก็มีคนคอมเมนนะผู้ใหญ่บ้านคอมเมนเพราะเห็นว่าทําเกินหน้าเกินตานะไปแจ้งไปบอกพระราชาว่าเนี่ยพวกนี้คิดคบกบฏพระราชาส่งคนมาแต่พบว่าโอ้มค่ามนุษย์เขาทำดีนะทีแรกเห็นว่าเขาประชุมกันนึกว่าซ่องสมสมคบคิดกันจกกะกบฏแต่ไปเอาดูไปเอาเข้ามาสมคบเขาประชุมกันทําความดีก็เลยสนับสนุนพระราชาสาบส่วนใหมาามนุษย์ ทำความดีเป็นการใหญ่พอตายไปแล้วเนี่ยมขามนกก็ได้ไปเป็นพระอินทร์เป็นเรียกาเท้ามา ข, ขวานนะเรารู้จักคําว่ามั ข, ขวานไนะหสะพานมควานที่ซื่อเหลืองเข้าไปชุมนุมกันเนี่ยเมื่อสองปีก่อนนี่แหละคือสะพานของพระอินทร์ม ข, ขวานนะมขามนกทำบุญจนได้เป็นพระอินทร์นะไม่ได้ถวายไม่ได้ไม่ได้ถวายสังฆทานนอะไรเลยนะ ก็ทำความดีคือทําช่วยเหลือส่วนรวมอันนี้เราเป็นจิตอาสาสมัยนี้เราจิตอาสาอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เรารู้ว่าเนี่ยนี่คือการทําบุญที่ถูกลืมไปเดี๋ยวนี้กลายเป็นเรื่องการถวายสังฆทานกรถินพระปะ่าแต่ถ้าอย่งการทําบุญของไทยเราของชาวพุทธเรากว้างขวางกว่า น, นั้นอันนี้ที่เราทํากันมากๆนี่มันก็จะเป็นการขยายพื้นที่บุญแล้วก็จะต่อไปก็จะกลายเป็นการกระชับพื้นที่ถูุน